พระธรรมเทศนาแผ่นที่102ลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่24่กุมภาพันธ์2560มีชื่อเรื่องว่ามืดมาให้สว่างไปวันนี้เป็นวันที่24่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560 วันนี้ถือว่าเป็นวันทําบุญประจําปีแล้วทำบุญรวมญาติหรือว่าทําบุญบริษัทธรรมารักษณ์ทําอารักษ์กและอุทิศส่วนกุศลให้กับพันตารวจเอกวันชัยเรืองกลิตแล้วก็เนี่ยลูกชายที่หลวงพ่อรู้จักจก็คือคุณหนุ่มที่เป็นคุณหนุ่มคุณแชมป์เกิดเดือนปีเดียวกันเหมือนกัน เอข่าวก่อนปีที่แล้วเนี่ก็ได้ไปฉันหลวงพ่อมาถามเอ๊ะไม่ใช่บ้านหลังนี้ในนาวา่ะหนุ่มเขาบอกว่าคนท่านหลังกันเอปีที่แล้วนะอ่หลวงพ่อได้มาฉันกับแต่เมื่อปีที่แล้วถ้าหลวงพ่อจําไม่ผิดนะหลวงพ่อว่าได้เห็นอคุณพ่อเหมือนกันนะเออได้เห็นท่านอยู่ในปีที่แล้วน่ะดูสิแมพแมจากนั้นก็ จากกันไปเสียแล้วแต่ก็วันนี้หลวงพ่อเองมามีหนังสือแจกนะครับนักศร า, ายาโยมอี่าเพิ่งกลับนะมีหนังสือแจกหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่น่าศึกษาทางแห่งปัญญาจากปัญหาธรรมมีเจ้าคุณปู่ธรรมะเจดีกับหลวงปู่มั่นถกปัญหากันแล้วก็มีปัญหาหลวงปู่ดุลอัตุโร ที่เป็นพระมหาเทระผู้ใหญ่แต่ก็หลวงตามหาบัวยาสัมปันโนและก็หลวงปู่ล่าเคมปะโตถ้าว่าพวกเราได้อ่านหนังสือเล่มนี้พวกเรามีความข้องใจว่าเอ๊อยากจะถามปัญหาอยากจะรู้ที่เราอยากจะถามอ่านหนังสือเล่มนี้อาจจะได้คําตอบจากหนังสือเล่มนี้ก็ได้เพราะนั้นขอให้พวกเรารับไปแล้วไปอ่านนะและกระทรวนหนึ่ง สำหรับผู้ที่หลงหลง ล, ลืมลืมจะเป็นลักษณะเป็นอัลไซเมอร์ควรจะอ่านหนังสืออย่างน้อยวันละ30นาทีเป็นการฝึกสมองเหมือนกับเหมือนกับพวกเราออกกําลังกายอย่างนั้น่ะถ้าคนเทศลูกหลานข่ามากข่าไม่ต้องเดินก็ได้หรอกให้เขาหามให้ใส่รถเข็นไปที่ไหนอีกไม่นาหรอกคนนั่นเดี๋ยวอีกไม่นาาจะหามเข้าห้องน้าห้องส้วมสิหนิไว้เลยเพราะมันเดินไม่ได้พังผืดมันติด นี้ก็เหมือนกันถ้าพวกเราถึงยังไงก็ต้องออกกำลังกายเดินพยายามเดินพยายามออกอย่าไปใช้คนอื่นมากเกินไปพยายามใช้เท่าที่จะใช้ได้จากนั้นก็เวลาปกติก็เอาหนังสือมาอ่านอย่างน้อยวันละส า, านาทีถ้าเราคิดเรื่อยเปือเปอเปอเป่อยเื่อยเปื่อยไปเรื่อยเ่มันไม่มีที่จุดจบถ้าเราอ่านหนังสือเนี่ยพออ่านเสร็จแล้วหน้าหนึ่งเราก็พับไว้แล้วกดนับหนึ่งนั่งทบทวนดู เอมือเกเน่าอ่านหนังสือเรื่องอะไรที่อ่านจบไปเนี่ยหน้าที่แล้วเนี่ยนั่งทบทวนดูพอทบทวนดูแล้วก็อ่านหน้าที่สองต่อไปถ้าหากว่ามันยังไม่รู้เรื่องกลับมาอ่านหน้าเ ก, าเก่าอีกแล้วก็ทบทวนดูนี่แหละเป็นการทบทวนสมองอทำใหเ้เพิ่มความจำสําหรับพวกเราถ้าหากว่าพวกเราเไม่อ่านหนังสือนะไม่ศึกไม่ที่ศึกษานะ่ย อันนีใช่เมื่อจะมาเยือนพวกเราได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเลือกอ่านหนังสือก็เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่านหนังสือธรรมะที่หลวงพ่อจะแจกไปที่นี่ไม่ไปแต่หลวงพ่อแต่หนังสืออะไรเมอื่นๆก็เหมือนกันหนังสือธรรม ะ, ะมีประโยชน์พออ่านแล้วก็จะได้นํามาปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเร า, าอย่างครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้ปล่อยให้วางนะเรามีอายุถึงปูณนี่แล้ว ถ้าเราปล่อยวางแล้วปล่อยวางยังไงเราปล่อยวางเนี่ยปล่อยวางที่ใจของเราไม่ใช่ปล่อยวางการงานการงานเราทำปกติเราเคยทำยังไงก็ทำปกติแต่ในใจของเราเราคิดไว้ในใจว่าเออเอาเถอะนะถึงข้าพเจ้าจะรับผิดชอบขนาดไหนก็ตามอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจกป้องปล่อยวางจะต้องเทงทั้งหมด เ, เรื่องการงานเหล่านั้น ในอย่างที่คุณพ่อของเรานี่ยแหละพันตำรวจเอกวันชัยท่านก็รับผิดชอบในลูกในหลานของท่านแต่พอมาวันหนึ่งท่านก็ต้องทิ้งเราเป็นใครเราก็จะต้องทิ้งอีกเหมือนกันในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านเป็นห่วงประสบในกรของท่านขนาดไหนแต่อีกสักวันหนึ่งพระ อ, องค์ท่านก็ต้องวางมืออีกเหมือนกันนั่นแหละสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องได้คิด ได้คิดไว้ในใจเนี่ยปล่อยวางในใจในเมื่อปล่อยวางในใจเราจะไม่ทุกมากถ้าเราโกรธให้ใครก็ไม่โกรธมากถ้ารัก ใ, ใครๆก็ไม่รักมากพร้อมที่จะทำใจปล่อยวางในเรื่องนั้นๆเอาเรื่องอะไรเกิดก็ต้องเกิดแต่ข้าพเจ้าต้องทำดีที่สุดในขณะที่ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะในข้าพเจ้าทำการทำงานในเรื่องนี้นั้นๆ น, น, นี่แหละ อันนี้ก็คือการปล่อยวางในจิตใจผลงา น, นธรรมะเมื่อเราได้ศึกษาได้อ่านหนังสือธรรมะแล้วนะจะจะได้คําตอบทางด้านจิตใจลึกๆนะคณะสัตยาติโยมและก็พร้อมกันวันนี้ก็เป็นวันทําบุญรวมญาติก็ว่าได้นี่ยทาบุญบริษัทแล้วก็ทําบุญให้กับพวกเครือญาติของเรานานทีปีหนึ่งอาจจะมีเพียงครั้งเดียวที่มาพบมาเจอกันแล้วก็เมื่อมาทําบุญแล้วก็ เป็นการโอเทศ ส, สวนกุศลให้กับผู้มีอุปการะคุณอย่างที่ทายกได้กล่าวคําถวายทานนั่นแหละเราอุทศ ส, สวนกุศลให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศากนาญาติญาติมิตรสหายของพวกเราถ้าหากว่าดวงวิญญาณใดตกทุกข์ได้ยากอยู่ก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลถ้าหากว่าผู้ที่มีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งๆ่งขึ้นเพราะในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา ท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญนะคณะศรัทธาญาติโยมพ่อหลักทมคำสอนของพุทธะเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ไปพิสูจน์ที่ต้นที่โครนต้นโพที่ท่านได้ตัดสู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันนั้นในวันเดือนหกเผ่นนั้นพระ อ, องค์นั่งสมาธินั่งก็สมาธิพระไทยใจของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเกิดยานัเกิดญาณรัตนะเกิดฌานเกิดความรู้พิเศษขึ้นในขณะนั้น ท่านระลึกชาติผลนหลังได้เนี่ยถ้าาว่าตายแล้วศูนย์พระพุทธเจ้าจะระลึกชาติผลนหลังได้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าว่าเรานับถือพระธรรมคําำคำสอนของพระพุทธเจ้านับถือพระสงฆ์อริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วคือเรารับถือพุทธศาสนาเราควรจะวางใจไว้ใจว่าทําบุญดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วบาปบุญนรกสวรรค์มีจริงตายแล้วไม่ศูญย์ตายแล้วเกิดนี่แหละ อันนี้ก็เมื่อมาถึงจุดนี้นะ่ะที่พวกเราทำบุญให้คุณพ่อหรือคุณปู่คุณตาคุณยายของเรานี่นะ่ะอย่างวันนี้นะ่ะอันนี้ก็คือเป็นประเพณีของพุทธบริษัทที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสที่ท่านกล่าวไว้ท่านบอกไว้ในหลักธรรมคำสอนของท่านท่านบอกว่าเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบอคือตอบบุญแทนคุณ เมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงสกุลพระพตินตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านอันนี้พวกเราถือแนวแถวของพระธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะในเมื่อเมื่อพพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นผู้มีพระขนสัเปลา่าเมื่อท่านจากไป แต่ร่างกายของเราตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยยังเป็นของท่านอยู่นะยังเป็นมรดกของท่านอยู่กับเราอยู่เพราะฉนั้นถึงท่านจะล่วงลับดับขันไปบุญบุญคุณของท่านอยู่ในตัวของเราเพราะฉะนั้นเราปีหนึ่งหรือว่าเราทําบุญณสถานที่ใดเราก็ควรจะน้อมลําลึกว่าเออคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ข้าพรเจ้าได้รับมรดกได้รับความสุขที่ดินที่บ้าน หรือร่างกายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าทำบุญกุศลในคราวนี้ครั้งนี้ก็ขอให้เป็นเครื่องเกือกุหนุนดวงวิญญาณของพ่อแม่จงมีแต่ความสุขความเจริญในอัถภาพนั้นๆด้วยเทอนัให้เราคิดอย่างนั้นนะแต่เราในเมื่อเราทำความชั่วเนี่ยนะเอาอุทิศไม่ได้นะใครๆก็ไม่ต้องการสิ่งที่ยากจนกดีสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟกดีสิ่งที่มันชั่วกดี ไม่มีใครอยากจะรับอยากจะรับแต่สิ่งที่ดีเพราะนั้นการที่พวกเราได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะได้พบครูบาอาจารย์ขอให้ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะว่าเราจะถือโอกาสอย่างนี้เกิดมาได้พบพุทธศาสนาอย่างน้หาได้ยากนะขันธศรัทธาญาติโยมถ้าเกิดผิดที่ผิดทางเราเคยเห็นไหม เ, เดี๋ยวนี้เขา โลกโลกทั้งโลกมันแคบเข้ามาไปบางแหง่งบางจุดนะในโลกนี่เนี่ยไม่มีเสื้อผ้าก็มีตัวดำๆทองหัวโตๆท้องใหญ่ๆขาหลีบๆก็มีในสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระมหากษัตริย์ที่พระองค์ทรงคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเป็นผู้เป็นพุทธศา ฉนูประฐมพกแล้วก็ได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราถือว่าเป็นผู้โชคดีนะอย่านําความโชคดีของเราเนี่ยไปทําสิ่งที่มันไม่ดีไม่คิดเ อ, อบอกว่าตายแล้วศูนย์ทําดีไม่ได้ดีทําชั่วไม่ได้ชั่วอย่างนี้แหละแปลว่าเราคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วในจิตใจเพราะนันให้พวกเราคิด เ, เป็นสัมมาทิฏฐิทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเออทําชั่วแล้วจะ จะดีได้อย่างไรทำดีแล้วจะชั่วได้อย่างไรพวกเราเห็นไหมในโลกนี้นะถ้าเราไปทำความชั่วไปป้นไปคดไปโกงไปป้นไปยี่เขาแล้วจะดีได้ยังไงเข้าคุกเข้าตารางก็ในที่สุดนะถ้าเราทำดีอยู่ตลอดเวลากรรมดีความดีนั้นก็จะให้ผลสาหรับพวกเราอันนี้แหละคือการเป็นอยู่และก็พร้อมกันให้พวกเราประกอบคุณงามความดีและก็ให้อ่านหนังสือหนังสือเลบนี้นะท่านจะสอน เกี่ยวกับเรื่องสมาธิบั่งเรื่องศีลการอยู่ด้วยการควรปฏิบัติตนอย่างไรอย่างน้อยก็ควรจะมีศีลห้าสำรวมกายวาจาของเราข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ข้าพเจ้าจะไม่ขโมยทรัพย์ข้าพเจ้าจะเคารพในสิทธิสามีภรรยาคนอื่นข้าพเจ้าจะไม่โกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นข้าพเจ้าจะไม่ดื่มสุราให้ขาดสติของมืนเมานี่แหละอันนี้คือศีลจากนั้นก็ประกอบคุณงามความดี กับภาวนาเข้าไปลท้ทีนี้นะนี่แหละล้วนแล้วจะเป็นคุณงามความดีสําหรับพวกเราพวกเราได้เกิดมาได้พบพุทธศาสนาแล้วอย่าได้พลาดโอกาสอย่าได้หลงละเลิงจนเกินไปถ้าพวกเราหลงละเลงนะเกิดเกิดมาพบนิชาตินี้ใช่ได้เกิดในพื้นแผ่นดินไทยได้พบพระพุทธศาสนาได้พบได้พบพระมาหากษัตริย์ได้พบผู้สสทรงศีลทรงธรรมแต่เราเประมาทไม่ใส่ใจทําคำขวัรคำชั่ว สิ่งไหนที่มันชั่วขนเข้ามาหาตัวเองเ อ, อ, อาจจะพลัดจากชาตินี้ไปแล้วอาจจะไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่เป็นช้างม้าวัวควายไปเกิดที่ทวาหัวโตๆท้องใหญ่ๆขาหลีบๆตัวดำๆอาจจะไปเกิดในหมุมนั้นก็ได้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจตั้งตนไว้ให้ดีนะ เมื่อเราที่แรกเราไม่รู้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยได้พบพุทธศาสนาเพราะมัวเมาในการทำมาหาเลี้ยงชีพมันขยันในการทำมาหาเลี้ยงชีพแต่เราก็ไม่ได้สนใจธรรมะอันนั้นในหลักของพุทธศาสนาทว่าตมโมตมะปรายโนคำว่ามืดมาแต่นี้เมื่อมาเราได้พบได้ฟังทำคาสอนได้อ่านศึกษาได้รักษาได้ศึกษาธรรมะอันนี้เอาธรรมะเข้าสู่จิตใจแล้วทีนี้โชติปรายโน คือชดช่วงในจิตใจเห็นแสงสว่างขึ้นมาจิตใจอันนี้เป็นหวามมืดมาและสว่างไปนี่อันนี้ก็คือในหลักของพุทธศาสนาของเราท่านจะสอนลักษณะอย่างนี้ถ้าหากว่าพวกเราเกิดมาแล้วก็มัวเมาในการทมาหาเลี้ยงชีพยอย่างเดียวไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจอันนั้นเท่าว่าตมโมตมปราชโนมาก็มืดมาและก็ตมโมตมะ ต, ตมโมตมะ คลายความมืดไปอีกนะไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พวกเรามืดมาแล้วก็ให้สว่างไปแต่บางคนก็ทีแรกก็เห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายศึกษาธรรมะเป็นเด็กก็จิตใจรู้สีห์ได้รับความแสงสว่างจากพ่อแม่แนะนําสั่งสอนพอใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มืดมนอนทการกินเหล้าเมายาสิ่งไหนที่มันชั่วกะขนเข้ามาหาตัวเองอ น, นันพันว่า โชติปรายโนตมโมตะมะใครเข้าสว่างมาแล้วมืดไปอันนั้นไม่ดีแน่เพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวได้ย้ําเตือนให้คณะสัตยาญาติโยมทุกๆท่านที่หลวงพ่อพูดไปให้นําไปคิดนําไปพิจารณาการกรองไตรตองด้วยเหตุและผลหลวงพ่อพูดให้ฟังเอาเหตุผลมาพูดทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วในหลักของพุทธศาสนา ตายแล้วไม่สูญที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โครนต้นโผนั่นเป็นบรรทัดฐานจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นต้นตระกูลของพระกรรมฐานที่ท่านสอนหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่เขาหลวงตามหาบัวหลวงปู่แหวนหลวงปู่ต่างๆต่า ง, า ง, างดอกยืนยันทั้งหมดเราอะ่ะตายแล้วไม่สูญอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญให้นั่งภาวนา เน่ถามหลวงพ่อสุธรรมหลวงพ่อบุญทรนปูเลิฟเนี่ยที่นั่งเรียงกันไปนี่ยนะที่เป็นหมู่เป็นคณะของหลวงพ่อนล้วนแล้วแต 3, 40, สามสี่สิบพันศาบวชมานานดังหลวงพ่อเนี่ก็ห้พรรษาแล้วนะเป็นพระนะศรัทธา ญ, ญาจโจมเป็นเดนก่าแพรรษารวมแล้วหกสิบพันศาชีวิตของหลวงพ่อฝากหวัง ไ, ไว้ในพระพุทธศาสนาหลวงพ่อมั่นใจได้ปฏิบัติ ด, ดูแ ล, แล้วตายแล้วไม่สูญแน่แนเมื่อเลานั่งเมื่อเรานั่งภาวนาจิตใจเข้าไปสู่ สู่ความสงบแล้วจิตใจเน่งแล้วนะเราจะมองเห็นร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถพวกเรารู้ไหมก่อนที่รถจะไปได้ก็ต้องอาศัยคนขับนี้ค็เหมือนกันร่างกายของเราจะขยับขยื่นได้ก็ต้องอาศัยใจคือมโ น, โนพระพุทธศาสนาท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจมากกว่ามาโนปุพังขมาธรร ม, มามาโนเศรษามาโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นร่างกายเนี่เหมือนกับเครื่องใช้นะจิตใจเนี่ยเป็นนายกายเป็นเบาในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญเรื่องของใจมากกว่าเพราะนั้นการทำสิ่งไหนก็ตามในเมื่อหัวหน้าคือใจนี่สั่งให้ร่างกายไปตีหัวเขาเข้าไปป่นไปคดเข้าเข้าอันนี้ เจ้านายก็ต้องได้รับหัวหน้าก็ต้องได้รับเพราะส่งลูกน้องไปตีเขาแล้วก็ส่งวายจาไปพูดไปด่าเขาเจากนั้นก็คำพูดเมื่อกลศงเขามาหาใจใจก็ต้องได้รับสิ่งที่ดีหรือชั่วนะเพราะนั้นท่านว่ากรรมชั่วคิดชั่วทาชั่วพูดชั่วอย่าทําซะเลยดีกว่าเมื่อพวกเราทากรรมชั่วลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั้นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง นี่เป็นพอ บ, บรลกว่าอักตะตังดุกตะตังเสยโยปัจชาตะปติทุกตะตังกรคำชั่วอย่าทําเสเลยดีกว่าคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทําเสเลยดีกว่าเมื่อกรคำชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่พวกเราเคยเห็นไหมในพื้นแผ่นดินไทยเราเกิดมาใหญ่ถึงขนาดนี้นี่แหละตัวเองเมื่อทํากรรมสิ่งไั้นออกไปก็คิดว่าใครไม่รู้ไม่เห็นไปเป็นผู้เฉลียวฉลาด แต่พอกรรมชั่วให้ผลเข้าไปติดคุกเมื่อแก่นี่แหละเราก็ไม่ได้ซ้ําใดเติมหรอกแต่ว่าเป็นตามหลักธรรมคําสอนของพุทธะที่ท่านได้สอนได้กล่าวไว้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะคณะสัตยาธิโยมทุกคนนะที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนานทีปีไม่รู้วเท่าไหร่จึงได้ฟังสดๆอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังต่อไปพระสงฆ์จะอนุโมทนานที่นี่นะ รับพรและอุทิศ ส, ส่วนกุศลต่อผู้มีอุปรกระคุณอย่างที่พวกเราได้ตั้งใจเอาไว้นะ